أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم القيامة ترَ الذين كذبوا. الذين كذبوا على الله وجههم و م س و ّ ة أليس في جهنم م س و ى ل ل م ت ك ب ر ي ن وَيُنَجِّ าห ل ลลินัตตะอูัลลินัตตะอูั ا الَّذِينَ ا ت َّ ق َ و ตะอูัลลินัตตะอูัลลินัตตะอูัลลินัตตُอูัล ولهم ا يحزنون. الله خالق كل شيء. السموات والأرض، والذين كفروا ب آ ي ا ت والذين كفروا ب ل آ ي ا ت يحبطن ع م ل ك و َ ل ت ك و ن ن م ن ا ل خ ا س ر ي ن م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إ ن ا ل ح م د ل ل ه ن ح م د ه ح و ن س ت ع م ن ح و ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه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 أعوذ ب ك ل م ا ت ا ل ل ه ا ل ت ا ا ت من شر ما خلق بسم الله ا لا ي ل ا يضر ما اسمه ش ي ئ في الأرض ولا في السماء وهو سميع ا ل عليم ر ض ي ت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد ر س و ل ا اللهم يني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أ ع ذ ب ك من عذاب في معالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه ي ف ت ل ف و ن أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أن من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله في น้องที่ร่วมนมาสบุตรในมัสยิดอันวาริสุนนะเด็น้องที่ติดตามรายการนะครับอธิบายอัลกุรอานตซรกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านครับ ด้วยความเมตตาของ Allah سبحانه และก็ تعالى ท่านนั้นไสอนเราว่าการรำลึกถึง Allah เนี่นึกถึง Allah เยอะๆมาเรื่อในใจเราเนี่ยนะเนี่ยนัะเตนเรานั้นนึกถึง Allah เยอะๆทำให้หัวใจสงบเครียดไม่มีนี่คือทางออกสหลักการอิสลามมีคำสอน หมดนะครับถ้าทำอย่างนี้ถ้ามีปัญหาให้แก้อย่างนี้มีคำสอนเตือนได้หมดเลยขอบคุณเราลนะครับคือเราได้สละเวลานะความจริงการนอนหลับในมาสโบร์นี่ไม่ดีที่ว่าไม่ดีเพราะว่าท่านนาบีได้ไปเยี่ยมลูกสาว ท่านหญิงฟาติมาที่บ้านลูกสาวกำลังนอนอยู่ไม่จด้นมมาสบ น, นมาดแล้วนอนนบีก็ปลุกลูกบอกว่าลุกลูกลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นมารับเพราะ อ, อัลลอฮ์เนี่ยจัดสรริกอีกของอัลลอฮ์เนี่ยตั้งแต่ฟยกักษขึ้นตั้งแต่เสียงอาซารสบูบอนี่จนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้น จัดสารรีสกีหถ้าเธอหลับสแสดงว่าเธอไม่ต้องการรีสกีของอัลลอ์ใช่ไหมนี่ให้กับการไม่นอนหลับนามาสุโบโนเป็นสุนัขของท่านนบีถ้าจะนอนก็ให้นอนหลังตะวันขึ้นแล้วนมาสก่อนจะใหรนอนนะครับนามาสอะไรนะอิชรอบ น, ะนามาสดูฮานะขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องที่เราได้ทบทวนอัลกุรอาน เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้อ่านนะักุลอ่านเอาล่อเตือนเรานะคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยจะเสียใจมันมีสับอยู่สามคำเลยมาอายะที่ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเนี่ยเริ่มต้นอันตะกูลูใช่ไหมห้าสิบเจ็ดไอเอาตะกูละ่ะ ห้าสิบแปดเอาตะกู้ล่ละพูด น, นนี่พูดด้วยความเสียใจนะคนที่แหมวศ า, าสนาไม่เอานาบีไม่เอาอัลกุรอานไม่ยึอดอัลลอ์เนี่ยในการอยู่บนโลกดุนยาบินิพอความตายมาถึงเขาหรือนอนอยู่ในกูโบหรือตอนฟื้นทืนชีพหลังจากหลุมฝังศพจะพูดคำนี้แหละยาฮัสระจาอายะที่ห้าสหก โอ้หน้าสงสารหน้าอันนั้าจะพอตาใช่ไหมนี่อัลลอฮ์เล่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดของที่อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังกลุ่ที่สองก็จะพูดว่าเล่า oh อันอัลลอฮะฮาดานะไอาที่ห้าสิบเถ้าหากอัลลอฮ์นี่ชี้ทางนำให้แก่ฉัน ฉันก็จะเป็นคนมุตตะปีตอนนี้อัลลอฮ์ก็เล่านะก็ลอาุณอ่านดูว่าทางนาเนี่ยคุณจะไปเอ๋ยอัลลอฮ์ได้ยังไงทําไมไม่ชี้ทางนําให้ฉันในตัฟซีอธิบายบอกว่าอุปกรณ์ทางนําที่ชี้ว่าอัลลอฮ์มีมูฮัมหมัดมาจริงกุลอาลีมีจริงอยู่บนโลกดุนยาไปนี้ตอนนี้หาได้แล้วหาได้ไหม หาไดา้มาที่สลาต้องเค่ก็เจอไปสมัสแกศที่ไหนก็เจอหมดอันคือหลักฐานที่บอกให้รู้ว่าทาง น, นำของอัลลอ์น่ะมาแล้วนะไม่ใช่ไม่มาจะไปบนในวันตอนตาย <S <S เรื่องที่สามเอาตะปูล่ะให้นาตารอนอาญาพยาที่ห้าสิบปดรู้จะไปฟ้องอัลลอ์ว่าไปบนว่าไหมนะหลังจากเขาได้เห็นการลง จะพูดว่าไงอลัลลอฮฺจะให้ฉันกลับไปมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งพูดแก้ตัวไงพระตมเลกาถามแล้ว่าคุณออกมาจากดุนยาไม่เจอคุณอยู่ในดุนยามาตั้งเจ็ดสบปีแปดสิปียังหาทางนำไม่เจอเลยนี่จะพูดสาประโยค แม้แต่มุสลิมเองที่เป็นมุสลิมและไม่อศาสนามีไหมพวกเราเนี่ยมีไหมหรือว่าไม่มีไม่มีใครทำด้วแล้วถ้ามีก็สำรวจดูตัวเองอ่ะแล้วเตือนกันก็ไม่ได้หรอมาโหอ่ะก็เล่าผ่านนี่แหละตัวล้องว่าชีวิตหลังตายถูกทรมานจริงๆคนที่ไม่มีศาสนาเราไม่ตําหนิใครนะอ่านกุปรานให้ท่านพี่น้องฟัง เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เพราะอิสลามไม่ได้บังคับใครให้อิมาตอรอ่น่ะต้องเชื่อมุฮัมมัดนะต้องอ่านก u r a n บังคับใครไม่ได้แต่เล่าให้ฟังวันนี้มาอายาที่หกสิบสุรอะอัลซุมัดนะครับว่าเยมะลุกิยามติตรอเลืีนั้นกบูอัลลอฮ وجوهم مسوادة على سفهان ناماس وللمتكابرين ويوم القيامة ترلدين كذبوا على الله وجوهم م س و د ة a าลัยซาฟิจฮัมนะมะมัสวัลลิลมุตากบิริมอบพระคุณอัลลอฮอาญาณีดีมากคำนี้เล่าให้ฟังไม่เชื่อปะดายาวมันตยามะแปลว่าอะไรวันติยามะวันติยามะเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไรวิญญาณออกจากร่างปั๊บเจอติยามะเลยครับ วิญญาณออกจากร่างพอมาถึงคอหอยนี่นะรู้แล้วว่าวันเกียรมั่มีจริงแต่หลายคนนีจะเสียเสียใจแล้วคนส่วนใหญ่นี่ไม่เชื่อวันเกียรมั่มีใช่ไหมเชื่อว่าตายแล้วตายเลยตายแล้วไม่ฟื้นใช่ไหมนี่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี่นะแต่เราที่นั่งอยู่ในมัสยิดนี่เราเชื่อว่าวันเกียร ม, มั่มีอธิบายให้พยาฟังด้วยให้ลูกฟังด้วย หัวยว่อมัติยามะแปลว่าในวันฟื้นขึ้นวันฟื้นขึ้นชในวันเกียร์มาหรือออกจากกูมุสเนี่ยนะหรือว่าตอนตายก็ได้อิาอตารอแปะว่าท่านจะเห็นนี่พูดกับนบีนะอัลลอฮ์ให้จีบรีนมหาอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังวันเกียร์มะมาตั๊บนท่านจะได้เห็นเห็นอะไรครับกาซาบูอลัลอฮ์ผู้ที่ปฏิเสธอ ล, ล กาญจานาบุรุษมปฏิเสธอัลลอฮ์ใต่ออัลลอฮ์ผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์จะได้เห็นยิ่งเลัาให้นบีฟังให้นบีมาสอนผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เขาจะได้เห็นในวันเกียร์มาวันเกียรมาหมายถึงความตายมาถึงขอหอยพรอความตายจะมานองอยู่บนเตียงที่นอนในบ้านท่านนั่นแหละ พอความตายมาอาย่าพออาญ า, ม า, ามาครับเห็นแค่หน้ามาอิกา ร, รู้ว่าเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์ถ้าเราเป็นคนดีนี่นอนอยู่บนที่บ้านเราเนี่ยนะก่อนตายนี่นะมาริกาจะมาถอดวิญญาณเนี่ยมาด้วยรูปร่างลักษณะที่มีกลิ่นหอม ผมสวยมีผ้ากันฟันมีอะไรอ่ะสำลีที่มาโจวสวนสวรสวรค์มาเตรียมเตรียมร้านอยู่แล้วนั่นเป็นคนดีถ้าคนไม่ดีตรงันข้ามมาลัยกาที่มาถอดวิญญาณมาด้วยหน้าตาที่ดำเหม็นแล้วก็มาคูเห็นไหมอย่งนีเป็นต้นทีนี้สําหรับคนที่ปฏิเสธปฏิษษเสธอลัลลอฮ์นี่นะจะได้เห็นเห็นอะไรครับ เห็นการลงโทษพอเห็นปั๊บเนี่ยหูยูหุหมมาจะวัดหุนใบหน้าใบหน้าของพวกเขาเหล่านั้นมุสวดดาดำคล้ำ ม, มองคล้ำดำคล้ำพยจัสวัตตะศักดิ์คนี้ละมุสวดดากับอสวัตตะวัดดำ อาหะจักอสวัดบุหินดำใช่ไหมล่ะอั่นแหละดำแบบนั้นนั่นแหละทีนี้เราไม่สามารถที่จะเห็นว่าคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยตอนตายหน้าดำแต่มีอยู่คนหนึ่งหน้าดำครับคนนี้เป็นคนรัเสเซียจะเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องจริงครับคนรัเสเซียคนนี้ไม่ทราบวเชื่อที่เปลี่ยนรัเสเซียมาเป็นประเทศที่ไม่มีศาสนาเนะชื่ออะไรไม่รู้นะ ผมิ่มชื่อไปแล้วลูกสาวเล่าเองครับตอนที่พ่อจะเสียชีวิตเนี่ยมายืนอยู่ที่ศพมายืนที่พ่อเน่ก่อนจะเสียชีวิตเนยกมือขึ้นฉันกลัวแ้วฉันกลัวแ้วพูดทั้งสองสาครั้งนี่ลูกสาวเล่าเองนะผมตัดอุตสพิมพเนี่ยเป็นภาษาเปรจากประเทศอินเดีย ใบหน้าของพ่อเนี่ยจากเคยขาวๆกลายเป็นสีดำให้เห็นคนเดียวพอแล้วบนโลกใบนี้ไม่ต้องเห็นทุกบ้านหรอกเห็นใบเดียวเห็นคนเดียวพอยังฟาโรมีกี่คนกอรุนีกี่คนคนเดียวพอแล้วเห็นแค่กอรูนเห็นแค่เฟอร์นูนเห็นข้อเนี่ยพัฒนาเต็มดีของรัสเซียคนเดียวพอแล้วทําโลกเป็นบุรีเรียนแล้วอย่างนี้เป็นต้น วูยูฮูมุสวัใบหน้าของพวกเขาดําคล้าหรือหมองคล้ำเอาใครอยากให้หน้าดําๆเชิญตามสบายเลยครับปฏิเสธตลอดปฏิเสธอิสลามปฏิเสธกุรานปฏิเสธนบีมุฮัมมัดปฏิเสธสุนน่านบีเชิญตามสบายเลยเรามาได้ดังคับข่ายเล่าให้ฟังไม่เชื่อก็ได้กุรานเนี่ยอ่านคุรานนะไม่ใช่แต่งเองเลยนะ อัอมะคับอไลซาฟิจฮนน <c oughs> ัมเป็นเป็นคำถามไม่ใช่นรกดอกหรืออะไลซาอานาต่เปถามะอะไลซาไม่ใช่นรกดอกหรอหือไม่ใช่นรกดอกหรือ มัสวามัตราวาที่ทำหนักที่ทำานักของเขาไม่ใช่ในรกดอกหรือลิลมุตะกับบิลิลสำหรับผู้ที่โอหังผู้ที่โอหังโอหังอธิบายยังไงแต่ตำรวอธิบายดีความจริงมาบอกว่าความจริงนี่เป็นเรื่องโกโหกอะไรบ้างที่เป็นความจริงความจริงอยู่ที่ไหนในอิสลามหมดเลยใช่หรือไม่ใช่ อลัลลอ์มีกี่ององเดียวไปเรื่มจริงใช่ไหมใครที่ปฏิเสธความจริงเรียกว่าคนนั้นมุตะกรรมไิคนเยอะหญิงจองหองอวดด้วนดีคนที่โอ้วดอวดีเนี่ยอลัลลอฮ์ตัดรีสกี้เปล่าไม่ตัดให้เงินเดือนมากกว่าเก่าอีกให้ตำแหน่งด้วยให้ชื่อเสียงด้วยให้สารพัดให้มีเมียได้หลายคนด้วย เลือกดาราด้วยกว็ได้ไม่มีปัญหาสวยๆจะมีรถออกมีบ้านโอ้โหราคาสามสพสไปเลยเอ็มด้าเฉพาะโลกดุนยาโลกเดียวสบายใจแล้วคนใ่เวลาหลงดุนยาเนี่ยมันก็หลงแค่สีหารายการหลงผู้หญิงหลงเงินใช่ไหมหลงชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศ อร่อยนะหลงสี่ห้ารายการเนี่ยไม่เอ า, าอัลลอฮ์อยู่ได้มอยู่ได้สบายเลยยังด่บาบามีอัลมัดได้อีกด่อาอัลลอฮ์ได้อีกเข็นค่าพี่น้องมุสลิมได้อีกเอาไปเลยเธิน่าเต็มที่เลยอย่าลืมมุสลิมทีถูกทาแกถูกค่าอาลัลลอ์เอาพยาโทษหมดเลยตรงนันค้าเอาต่อมาครับ คนที่ใบหน้าดำเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างเนตั้ริดอธิบายดีนะผู้ที่มีใบหน้าหมองคล้ำคือกลุ่มที่แตกแยกออกจากอิสลามแตกแยกออกจากอิสลามออกจากสุนนะนบีนบีพูดอย่างนี้อุ ม, มาฉานเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเจ็ดสิบสามกลุ่น ทุกกลุ่มเนี่ยตุ้งชาณนลหมดโอ้เพราะอัลลอฮ์คนลูกนะยกเว้นกลุ่มเดียวสลาบาถาว่ากลุ่มไหนนบีตอเองมาอันะไลายุวาอัฮาบีกลุ่มที่นบีมุฮัมมัดปฏิบัติแล้วก็กลุ่มที่ปฏิบัติเหมือนกับนบีมุฮัมมัดในยุคแรกๆสมัยหนึ่งันสรอปีในยุคนั่นแหละยุคนบีกับยุคสหบาเป็นยุคที่ พอเสที่สุดถูกต้องที่สุดเป็นทุคที่อัลลอฮ์รับรองพอใจซอ บ, บ้านนบีเราไปศึกษาประวัติแต่ละคนแต่ละคนคือท่านอบับดุอบูปะกะเป็นยังไงไซนาอุมัดเป็นยังไงอร่อยทั้งนั้นแล้วเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วรับอิสลามแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองนิสยัยนิ่มหมดเลย น, นะงะกลุ่มชนนั้นเราไปกลุ่มชนนอกนั้นไม่ใช่ครับ น, น บ, บีพูดเองกนละุ่มชนของฉันจำแปลงออกเป็นเจ็ดสิบสามกลุ่ม mm hmm. ยกเว้นกลุ่มเดียวที่จะไปสวรรค์คือมาณาะอะไลฮิวาอัลฮับีกลุ่มที่ปฏิบัติตามน บ, บีและปฏิบัติตามสัฮาบของฉันเท่ น, นั้นเองพอดภัยเรามีทางออกอย่างมีแล้นะจะต้องตรงเรียนกับถ้าไม่เรียนจะจะไม่รู้ว่าน บ, บีทําอะไรส oh ah, ัฮาบนบีตามน บ, บียังไงตกลงว่าถ้าอยากหน้าขาว ต่อสิบปฏิบัติเหมือนนั้นอัลลอฮุซุนนะนวัลจะมาอัคนที่ยึดแนวทางของท่านนาบียึดบรรดาสว่านนบีเป็นแบบนั่นแหละใบหน้าจะขาวพองนะครับตอนตายอาต่อมาอายะที่61 ويُنَجِّلَ الَّذِينَ ا ت َّ ق َ و ْ ب ِ مَفَازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ ولا يَحْزَنُونَ ويُنَجِّلَ الَّذِينَ ا ت َّ ق َ و ْ ب ِ مَفَازَتِهِمْ ลาใหมาสุุมุสุวลาหุมยาห์จนุนอัลลอฮุอะบดุลลฮาบดุลิยาห์อยากเป็นคนหน้าอะไรนะหน้าใสหน้าสวยใช่ไหมไอ้เรื่นี้อธิบายนัดยายู่นัดยีเนี่ยแปลว่าช่วยให้รอดอัลลอฮ์เนี่ยจะช่วย ให้รอดไม่ให้หน้าดำนะ <c oughs> จะให้หน้าขาวเนี่ยกลุ่มไหนครับอัลลอฮนัด ต, ตะเกาบรรดาผู้ที่สำรวมตนต่ออัลลอฮ์นี่ภาษาเพราะมากครับอิตะกาเนี่ยสำรวมตนต่ออัลลอฮ์สำรวมตน อ, ลอัลลอฮ์อธิบายอย่างนี้ไม่ทําบาปของที่เอาล้อห้างทั้งหมดเนี่ยเอาล้อลคนนั้นไม่ทํา พอไม่ทำจะวัดตั ก, กว่าถ้าทําความดีเพราะแรงอีหมานไม่ทําความชั่วเพราะแรงตั ก, กว่าไม่เหมือนกันนะอิมานกับตั ก, กว่าเนี่ยมันของดีทั้งหมดเลยใครสอนนบีมาสอนอัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมาสอนมาสอนเรื่องอิมานอิมานหกข้อใช่ไหมแล้วอิมานกบอกัดกเนี่ยอธิบาย ต้องต้องละเอียดนะต้องรละเอียดนิดนึงแล้วก็ส่วนตักวาเนี่ยตักวาหมายถึงออกห่างจากความชั่วทุกชนิดเลยฉะนั้นที่เราทําความดีที่มานั่งนมัสยิดไดนเนี่ยเพราะแรงอิมานนะ่ะที่เราไม่ด่าคนเนี่ยเพราะแรงตักวานะที่เราไม่ตบหน้าภรรยาเนี่ยเพราะแรงตักวานะที่เราปลูกลูกนมาดเนี่ยมันแรงอิมานนะ มันต้ององธิบายต้องต้องเข้าใจด้วยนะตักวากับอีมานะ่ะมันของคู่กันฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมมันมีทั้งสองอย่างมีอีมานด้วยแล้วก็มีตักวาด้วยในเวลาเดียวกันับวายูนัดิลุลเ ล, ลนัตตะเาและอัลลอ์จะทรงช่วยให้รอดบรรดาผู้ที่สำรวมตนจากความชั่วเขาเรียกว่าตักวา บีมาฟาซาติหิมด้วยความสำเร็จของพวกเขาด้วยผลงานที่ดีของพวกเขามาฟาสมาฟาซาแว่าความสำเร็จที่เขาออกห่างจากความเชื่อทอานล้อชงว่านี่เป็นความสำเร็จในชีวิตคุณแล้วไม่ทำดีนาไม่ทำบาไปไม่เล่นการพนันไม่ได่ากับคนไม่ก็ลอกกับเพื่อนบ้านไม่ตบหน้าภรรยาใช่ไหม ไม่ไดาคนนั้นไม่ได่าคนนี้มันทั้งเขาไม่ยืนตําหนิอยู่หน้าบ้านกับนั่งเฉยๆเนี่ยนี่มันตักวาอัลลอฮ์ชมเลยนะคนที่มีตักวาอัลลอฮ์จะคือผู้ที่ได้รับความสําเร็จในชีวิตของเขาอัลลอฮ์จะช่วยเขาให้ปลอดไัอัลลอฮฺอัลกุบะ์อาต่อมากรับวัดลายมัสูหมุสูมัสลายมุสูแปลว่าสัมผัส หรือว่าประสบอัทรูความชั่วความชั่วจะมาไม่มาประสบกับเขาอัลลอฮฺสบายใจไหมและย่มาสู้มุสุที่ต้องฟัอ่านคุณอารู้รู้ความหมายนี้สบายใจอ่านไม่รู้ก็อ่านรู้อันไหนดีกว่ากัน <laughs> อ่านรู้ ลายมัรูมุสูความชั่วจะไม่แพ่วผ่านพวกเขาต่อมาครับวะแลหุยฮะนูและพวกเขาจะไม่ระทมจะไม่เสียใจฮะจานายะฮะจาแต่ว่าเสียใจเสียใจนี่เรื่องที่ผ่านมา ไม่ใช่เรื่องครั้งหนา้าถ้าอย่าขอบรปลว่ากลัวเนี่ยกลัวเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็อย่าดันหาดันแว่าเรื่องข้างหน้าเรื่องในอนาคตเนี่ยฉะนั้นคนที่มีตักวานะอย่างเดียวนะออกห่างจากความชั่วเนี่ยเอาลอดจะช่วยให้เขาให้รอดเขาจะไม่ถูกความชั่วมาสัมผัสเขาและเขาจะไม่เสียใจ คือไม่ต้องตกนรกหว่อาอะไรหน้าจะไม่ดำน่าจะแล้วน่าจะผ่องใสฮัหดุหลิลละอาทิตย์นี้ผมอ่านตำเสี้ยวต่อคนที่มีตักวาเนี่ยมิสัยเป็นอย่างนี้ไซนาอบูปกะก้ายกับไซนาอุมัรบาดิลลอหพูดว่าคนที่มีตักวาเนี่ยจะมองคนอื่นเด่นกว่าตัวเองทำได้ปะ่ะ มองคนอื่นเด่นกว่าตัวเองคนมีตั ก, ก่าตรงกันข้ามใครที่มองตัวเองเด่นกว่าคนอื่นคนนี้ไม่มีตั ก, ก่าทำยากนะแต่พยายามทำเรื่องที่สองคนที่มีตั ก, กวานี่นะครับเอาล็อจะต้อนรับในวันกิยามาณนะครับเหมือนกับเป็นราชทูตหรือแขกพิเศษ ลอ <Allah>, ฟแอคเวิร์ดพื้นมาจากกูโบเนี่ยลอฟให้มาลิกามาตอนรับเหมือนอะไร น, นะเหมือนวัฟดันเป็นทูตหรือแขกพิเศษอย่างที่เราต้อนรับแขกมาบ้านเราเมื่อตอนรับยังไงอ่ะนั่นแหละเหมือนกันดูแลตอนหน้าตอนหลังอย่างดีเลยนะครับต่อมาครับคนจะเป็นมุตตีเนี่ยเขาจะไม่ระทมไม่เสียใจแล้วเขาไม่กลัวอะไรเลย เสียงนรกก็ไม่ได้ยินการลงโทษก็ไม่ได้ยินเราปิดหมดเลยครับมีแต่เรื่องดีๆๆๆเวลาเดินไปทุาา่งมาซัทก็เมืกันมีแสงสว่างนําหน้าเขาด้วยอยากย่ดหินต้นนะนี่นี่ภาพในโลกอาซีรอมหมดเลยอ่ะทีนี้คนที่จะมีตักวาได้เนี่ยมันต้องมี إ ي م านควบคู่กันแล้วก็อีิมานที่ดีที่สุดรู้ไหมะอะไรการลุก ข, ขึ้นนมาสการหยุดตอน ตีเไรตีสามครึ่งความจริงนาะมาเนี่ยไม่ได้เหนื่อยแร้วนะแต่เหนื่อยตอนตอนลุกขึ้นนะเราที่ถามตาข้องมาตื่นกี่โมงตีสามครึผมก็ตื่นตีนสามคึ่งตื่นทําไมอ่ะขอบคุณเราล้อเจอล้อให้เรานายโยแย่ให้บ้าทให้มีให้ลูกให้นูน่นให้นี่เต็มแล้วขอบคุณเราล้ออะไรอ่ะ ดังน่านการรู้ขึ้นนำมาต่านตถาจุดนี่อลัลลอฮ์มีบระดาศเยอะมากนะครับจะอ่านไปจะเจอเจอนั้นเจอนั้นเอาเอาต่อมาครับ <c oughs> ตัวน้งว่าคนที่หน้ามืดๆทั้งหมดก็คือทนทนชื่ิตต่ออลัลลอทรยศต่ลลอฮ์คนที่หน้าใสาคนที่ตักวานะออกห่างจากความชั่วทุกรายการเอาต่อมายาที่หกสิบสองอัลลอ Allahu ل h a ل i ก kull shayi, wahwa ala kull shayi wa kili. Allahu Khaliq kull shayi, wahwa ala kull shayi wa kili. a l l อานี้พูถึงความยิ่งใหญ่ของ a อัลลอฮ์ทำอะไรบ้างแค่ประโยคเดียวดนี่เราก็ยอมจำนวนแล้วอัลลอฮ์ฮุคอลิกรอัลลอ์เป็นผู้สร้างครีเอเตอร์อัลลอ์เป็นผู้สร้างครับกุลละใช้ทุกสิ่งสร้างทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรเลย <c oughs> เอาอะไรบ้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนเห็นไหม อากาศเย็นอากาศร้อนฝนตกฝนไม่ตกอัลลอฮ์บริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียวขอเล็กเป็นผู้สร้างรับผิดชอบหมดเลยสร้างมนุษย์แล้วก็สร้างยินแตะอธิบายด้วยนาะสร้างมาแล้วต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้นบีมาเป็นผู้นำอีกใช่ไหมด้วยความรอบครอบของอัลลอฮ์นะทำได้เลยแล้วก็ให้อิสลามเป็นทางนาที่เราขอกันนะอิดีนัสรอตุนมุสตตีมลลาช โปรชี้ทางนำให้แก่เราด้วยทางนำที่ถูกต้องทางนำที่เที่ยงตรงใช่ไหมแล้วขออยู่ทุกท่นอัลลอฮฺ้าริบุกุลลิชายินอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างทุกสิ่งนะครับสร้างอะไรบ้างสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กางวันกลางคืนมนุษย์และวก็สัตว์พืชทุกชนิดอัลลอฮฺว่า แล้วก็ให้เป็นให้ตายด้วยให้รวยให้จนให้ใครลำบากไม่ลำบากเอาล็อตจัตตาร์แต่เพียงผู้เดียวเท่านี้แล้วจะขอต้องขอจะเอาล็อตอง์เดียวหงรองเท้าขาดเสื่อรองเท้าขาดก็ต้องขอด้วยนะล็อตจัตจาร์ได้เสื่อรองเท้าตั้งแล้วก็มีจะทําไมต้องขอไงอให้เราไปผู้ที่อน้อมถ่อมตนต่ออร่องสุภคาหูตายแล้ว ว่าว่าละกุลช้ยูกินวากินแปว่าพิทักษ์รักษาแปลว่าพิทักษ์รักษาวากินและอัลลอ์เนี่ยพิทักษ์รักษาเหนืออยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺอักบนี่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานาห์วานอัลลอัลฮัมดุลิลลาฮฺซุร้อนะมะทิบะยังี กูอ่านอธิบายก่านญลิกุมุลลอรับบุคุมพระพูดอาริบาลของท่านคืออัลลอฮ์และอิลลัลลอฮ์อัลลอ์มีองค์เดียวไม่มีลกูกไม่มีภรรยาทุสิ่งทุอย่างต้องพึ่งอัลลอ์และไม่มีอะไรเหมือนอัลลอฮ์อัลลอ์ทราบทุสิ่งทุอย่างเพราะฉะนั้นฟาบูดูหูจงทักดีต่ออัลลอ์องค์เดียวนะครับวละุลิวกลลอัลล์เนี่ย พิทักษ์รักษาทุกซึ่งทุกอย่างอยู่ใต้าการดูแลของอัลลอ์แต่เพียงผู้เดียวทุกรายการยนะครับทีนี้ในตัะซึนอธิบายดีนะครับ <c oughs> เมื่อเราเนืกอจึงอัลลอ์เนี่ยให้กล่าวประโยคนี่เยอะๆอย่างที่ผ่านมานี่อายะที่สี่สิ Allahu m f a t i r a s m a wa tawalat sama عالم الغيب والشاهد أنت تحكم بينا إبادي كفي ما كانوا في يختاليفو ให้กล่าวเช้าเย็นและนบีทำเป็นแบบก่อนนบีกล่าวก่อนแล้วสอนทีหลังฉะนั้นคนที่กล่าวด้วาเยอะๆจะดีมากดชมอัลลอ์เยอะๆดีมากเพราะอัลล์ทราบทุสิ่งทีย่างมาเนี่ย มีประโยคไหนบ้างที่คนกล่าวนะเลออิเลออิลลอฺกล่าวเยอะระหว่างขับรถกับกล่าวกาได้ไหมได้ Allahu Akbar Subhanallah Alhamdulillah Astaghfirullah คนที่เป็นโรคแล้วเนี่ยอัลไซเมอร์พอแกๆเคนี่ย วิธีไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์ได้มีอยู่ประโยคเดียวให้กล่าวประโยคเหล่านี้ละอัสตะกุรุลลอฮ์นีก่กล่าวคำนี้เยอะๆกล่าวเยอะๆไปเนาะฉันขออภัยยาโทษต่อกล่าวเยอะๆรู้ปล่าอัสตะกุรุลลอฮ์อย่างเดียวอัลลอฮ์ให้สีอย่างนะดูกุรอาจารอนู้ว่า “ฟَ ق ُ่า”ถ้าคุณจะอธิษฐานถ้าคุณจะอธิษฐานถ้าคุณจะอธิษฐานถ้าคุณจะอธิษฐานถَาคุณจْอธิْฐานถ้าคุณจะอธิษْานถْาคุณจะอَิษฐานถ้าคุณจะอธิษฐานถْาَุณจะอธิْฐَนถ้าคุณจะอธานถ้าคุานถาคุะนถ้าคะอธิษานถาคุณจะอานันเนี่ยฝนไ้าตกที่บน้านฝนไม่ตก ตน้นไม้แห้งแล้งหมดนี่ว่าคุณไปกล่าวอัสล่าบุลลอห์ฝนก็ตกมาพอกลับไปก็ฝนตกหนัก อ, อีกคนหนึ่งมาหานาบับดฉันเนี่ยเงินไม่มีจ น, นอับดุลลาสติลฟายอัสล่าบุลลอห์แล้วก็อีกคนหนึ่งมาหานาบับดที่บ้านฉันเนี่ยฉันแต่งงานมาหลายปีแล้วลูกไม่มีนั่นเีกว่าอัสล่าบุลลอห์ อีกคนหนึ่งมาที่บ้านฉันไม่มีอะไรเลยสวนก็ไม่มีอะไรเดีวอับาเก่าอิสตากุรอมีคนถามว่านาบีตอบปัญหาให้กล่าวอิสติกฟาต่ออัลลอฮ์นะสีคนมาถามปัญหาไม่เหมือนกันแต่ตอบเหมือนกันให้กล่าวอิสติกฟาต่ออัลลอฮ์เขาบอกว่าวคุณไม่อ่านกนุณอ่านเลยอ่านสุรอ้อนนู้นอะ ใช่ไหมล่ะจะมีเมตนพระคตุตอบอนนากูกะนกอฟาระยุสฟิลิสสามารถอะลัยกุมอัลลอฮ์ส่งฝนมาวายุงจิตกุมอว่านให้เงินมาว่าบ l นินให้ลูกแล้วก็ให้สวนการงานอธิบายอย่างนี้อัลลอฮ์จัดให้สี่รายการเลยฉะนั้นไม่มีอะไรดีเท่ากับอัสตาฟิร a ลอัลลอฮ์อัสตาฟิรุลอัลลอฮ์าลมานมา แต่ว่านที่บ้านฉันน่ะหลงๆไม่ค่อยรู้เรื่องอายุเท่าไรเขาบอกประมาณ80ดสิบแ้จรยยิงยัยังไม่เท่าไหรนะดูแลสุขภาพหรือเปล่าสำคัญเมื่อจะกินอาหารอย่างเดียวนะอิสติฟาร์สำคัญที่สุดอิสติฟาร์สำคัญที่สุดสุบฮานลัลอละชมบะลอละเยอะๆเนี่ย เราจะให้สมองกไรมอลลเอาต่อมาครับละหูอายุหกสิละูมกอดุมาวติวัอัละดีนกฟูบิอายติลลอลกะมุลรู เหล่ามักาลิดุสสุ و ัตและอัลลอฮ์ ف ละผู้ที่ก้าวตี ل าญาติละอุละอิคารุมุลฮัสซุนนี่พูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ให้เลาในบีฟังให้นบีมสอน เราอ่านเองเจอเองวันนี้ได้ศัพท์มากอรีมากอรนะีเป็นป่าพุทธนะเป็นป่าพจน์แต่ว่าพวงลูกกุญแจลูกกุญแจหลายๆดอกเขาเรียกว่ามากอรีมากอรีเนี่ยอธิบา ย, ยางไงภาษาเดิมเป็นภาษาฟาร์ซีภาษาโปเชียแล้วอัลลอฮฺ เอาภาษาเอาเซียวมาใส่นะครับพิกรารด้วยเห็นยั ง, ยงครับเดิมมันเคยว่ากระลิดกระลิดกระลิดอาภูพด ม, มากอกรีบพรา ว, ว่าพวงกุญแจหลายๆดอกละหูอยู่ที่พระองค์หรือเป็นของพระองค์มากอรีบพวงกุญแจพวงลูกกุญแจ สมาว่าแห่นชั้นฟ้าทั้งหลายวัลอาร์บอและแผ่นดินนี้ทีวเรายู่เนี่ยเป็นของอาร์บทั้งหมดเห็นไหมชั้นฟ้าทั้งหมดเจ็ดเจ็ดเวหากับแผ่นดินนี้ลาหูเป็นของใครเป็นของอาร์บอมากรีที่อยู่ข้างในเนี่ย จะมีอะไรเร่เรรับอยู่อลอคคุ้มหมดเลยเพชรพลอยทองตอริบานันอยากเออวอร์ิสถานพวนี้มันอยากได้อย่างนะพวกมนมีแร่เยอะที่นั่นอยู่ในคุณอยู่ในมือเขาพากอลอทั้งหมดน่ะล้วก็ทะเลาะกันกับมัน ไ, ไม่แต่เรื่องนี้นะคือต้องก็ติดตามข่าวแล้วใช่ไหมตอริบานก็ถูกดาเลยไปแล้วใช่ไหมไทยสุยูไทากับ รุกกลาฮะกับอเมริกามันก็จบไงใช่ไหมถ้าไปแข่งในยูโดีมึงถูกไงก็อย่างนี้แหละคนเวลามีอำนาจเยอะๆเนี่ยทำแบบฟาโรนะชิบหายหมดเลยนะจะนั the Why, ้นใครที่มีอำนาจมีเงินมีทองเตะท่าตะกับบุ like ๊บเหมือนฟาโรกอรูนพินาศหมดครับรุกกรเนี่ยอัลลอฮ์ให้เห็นเลยนะแต่ยุคพวกเราวันนี้อัลลอ์ให้รอตาย พอความตายมาถึงก็บอกไอ้ยากู้รวยทำไมวะเนี่ยแต่มีอำนาจตังเยอะแยะเนี่ยโอ้โหเสียใจนะไม่เชื่อก็เชิญตามสบายมาพอลีบุสมาวะทิ่วัดของพระองค์คือปวงลูกกุญแจแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน วันลลีนักฟารูบียายติละและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อว่าที่มีของอัลลอฮ์น่ะใช่ไหมฉันไม่เชื่อลองเราเกิดมาเองอัลลอฮ์ไม่มีคนที่พูดแบบนี้หนีเป่าเราไม่ชื่อว่าใครนะ วัน ล, ละทีนักฟารูบียายติละนักอานเป็นทาง น, นำของชีวิตนาะและส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธกาฟารูปฏิเสธไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของโลกใบนี้ไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์นี่มีกุญแจไขความลับทุกรายการในชั้นฟ้าและแผ่นดินบียายติละเป็นผู้พจน์ด้วยนะสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์ถ้าเอกพจน์อายะ อ้ายาตสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์ใครที่ปฏิเสธอูลอีกะคูมุลคอเิรูนเหล่านี้พวกเขาเป็นผู้คอซิประาดทุนขาดทุนบนดุนยานี่มองไม่เห็นแต่จะเห็นขาดทุนความตายมาถึงเขอหอยเพิ่งเห็น นี่เป็นศาสนาเป็นความจริงนะครับแต่คนที่แอนตี้อิสลามเชิญดาอับดลเนชิญดาอิสลามเชิญดาอัลลอฮ์เชิญแต่เราเรียกร้องไม่ย่ า, ยาด่าเทาหันมารับอิสลามเถอะมาเรียนรู้ทางอิสลามเถอะแต่อิสลามเนี่ยแปลกนะเพราะุปรณพูดอย่างนี้นะครับ liyuzahirahu ad-dinikulli walau karihalka fiun อิสลามนี่จะ เหนือชนะมากกว่าคำสอนทั้งหมดในโลกที่มีอยู่อิสลามจะเด่นว่าแล้วกาดิฮัลกาเปโรมถึงแม้ว่าคนกาเฟต จ, จะชิงชังอิสลามแค่ไหนก็ตามไม่ใช่ชิงชังเดียวมันด่าด้วยนะเราลกกพูดทั้งกัน้นเพุอ่านอ า, ายะห์เท่าไรที่ผ่านมาใช่ไหมพูดว่าไงนะ คุณวางแผนทำลายอิสลามไปเถอะมีความคิดมีความสามารถเชิญแบบญาตินบีอับดลลาฮอับดุจันร์ใช่ไหมวางแผนทำลายอิสลามแล้วไปรอดไหมละ่ะไม่มีใครรอดสักคนหนึ่งวันนี้ก็เหมือนกันด่าอิสลามดาไปเถอะแล้วก็อัลลอ์สั่งนบี นบีก็ทำงานเผยแผ่ อ, อิสลามต่อไปอย่ายุดเหมือนก็สั่งพวกเราวันนี้คนด่าอิสลามมีไหมมีครับพออ่านข่าวจะรู้ใช่ไหมแต่เราเป็นมุสลิมก็ต้องมุจฮาดะต้องต่อสู้ในอิสลามนี่แหละอยู่ในาศาสนานี้ถูกด่าถูกใส่ร้ายบ้างก็ต้องอดทนแล้วก็ให้อภัยนะขอรับต่อรับต้องยืนยัน อามัณที่ดีที่สุดคืออามันเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์ผมนึกถึงกันผมดูคลิปของโมเหมือนอัลลิเครียมันเล่าบอกว่ามันไปต่อยคนนั้นลมไม่มีรางวัลรางวัลอยู่ที่การดาวะอิลลลลอฮ์เชิญคนให้รู้จักอัลลอฮ์มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สบายใจไหมพวกนี้มันจ่มุสลิมมาก่อนใช่ไหม มาเป็นมุสลิมที่หลังอะลอสแต่า ง, าาาางี้ยเป็นตัวยกตัวอย่างให้เห็นนะตัวลง ว, ว่าอัยยานี้เตือนนะใครที่ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์ว่าไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์นะพู้นี้เป็นคนที่ขาดทุนหมดเลยขาดทุนในโลกอลัลลมบัดซักขาดทุนในโลกแต่ดุลยานี่อัลลอฮ์ไม่ให้ขาดทุนนะเอาไปเลย บ้านสามสิบล้านรถห้าสิบคันบ้านชาวมีเองมีเมีมยเยอะไปเลยตามสบายอาลัลลอฮ์ให้เฉพาะบนโลกดุนยาวันนี้โลกเดียวนะครับต่อมา64ครับกุลอาวะอัฟะไวยรอลลอตะมุรูนีอาบุดอัยูฮัลจ่าฮิล قل أف غير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون الله أكبر อายะนี um ้สาเหตุที่อัลลอฮฺได้ประทานบุญอ้ายะนี้มาก็เป็นอย่างนี้พวกมุชริกเนี่ยนักขอนมักกันมาหาท่านนาบีที่บ้านเลยนะสมคตไทยมาหลายคนนี่ย คนดั้งดังนะนะมาคุยกับน บ, บีมาคุยบอกว่ามาอย่างนี้ไหมน บ, บีเนี่ยมากาบจเจวิตกับพวกเราสักปีนึงแล้วพวกเราก็จะไปเข้ามัสยิดคุณกันมาอาแบบท่านนะเปลี่ยนกันนะคนละปี และอีกคนหนึ่งก็มหานาีในตับซื่อโคตบีอิบยุคเซตอธิบายว่าคุณเนี่ยตำหนิปูย่าตายายของคุณเองมหานาีคุณไม่เอาปูย่าตายายที่เขากราบเจเวยกันมาตั้งร้อยร้ยปีพันปีเนี่ยทิ้งเขาเลยเหรอแล้วมายึดเอาเราองเดียวเลยมันไม่ไม่ใช่นะ ม, มูหมัดนะ คือมาพูดกับ น, นบีแบบนี้เอา ล, ล้อเห็นหมดเลยครับก็ทรงประทานกุลอ่านอายานนี้ลงมาครับออกุลโมหะมาเดอจงตอบอาสรา้อยรัลลอฮอื่นจากอัลลอฮ์าการ น, นั้นหรือตะมูรูนีที่พวกท่านสั่งฉัน ที่ผูคุณมาหาฉันเนี่ยมาทั้งสองกลุ่มสามกลุ่มเนี่ยนะมาขอร้องฉันให้ทำให้กราบเจเวิตเหมือนพวกเขาเนี่ยมาถึงบ้านฉันเลยเนี่ยมาขอร้องให้กราบเจเวิตสักหนึ่งปีแล้วพวกเราก็จะไปกราบอัลลอฮ์สักหนึ่งปีเปลี่ยนกันเพราะว่าอย่างนี้ปับอัลละฮ์ปร ะ, ประทานกุลอาลุมาเลยกุลมุฮัมมัดจมต่อ ใช่ไมอลัลลอ์ให้พูดจาวะเพาะด้วยอาฟาวยรมลอฮิตะมูรูนี้พวกท่านเนี่ยอื่นจากอาลัลลอ์กันนั้นหรือที่พวกท่านสั่งให้ฉันเคารพพักดีให้ฉันเคารพพักดีอื่นจากอาลัลลอ์กันนั้นหรืออื่นจากอาลัลลอฮ์เราทำอะไรบ้างบนโลกดุญยาใบนี้นะสร้างดวงอาทิตย์ได้เปล่า สร้างรวมจันได้บ้างคุณทำอะไรได้บ้างบนโลกโดุงจนทรไปเนี่ยทำไม่ได้สักอย่างแล้วจะให้ฉันขอร้องฉันให้ไปกราบจเจวิตปูญย่าตาเราก็ทำมาในฉันก็ห้ามหมดแล้วนะอย่ากราบจเจวินะให้กราบร้อัลลอฮ์อง์เดียวเห็นไหมนี่มาตั้งหนึ่งพันสีแล้อปีละกุรอานเนี่ย คนยังทายท้อนี่เปล่ามีครับกุลอาฟารัยรัลละฮ์ทักมูรูนีอ้าบุดูจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอื่นจากอัลลอฮ์กันนั้นหรือที่พวกท่านสั่งให้ฉันพักดีเขารบพักดีตอนตอนประโยควัคสุดท้ายเนี่ยหนักนะอิยูฮัลจ้าฮิลู โอ้ปวงผู้งมงายเอ๋ยอัลลอฮฺนี่เราไม่กล้าพูดแต่อัลลอพูดไอวัลจาฮิลูนคนยาเห็นแปลว่าอะไรงมงายเห่นยังครับเราไม่กล้าพูดแต่อัลลอเล่าให้นบีฟังให้นบีพูดสรุปก็คือ คำเม่ยึดอัลละฮ์เนี่ยเรียกอยู่หลายอย่างนะชิริกได้มั้ยได้เรียกว่ายาเฮนได้มั้ยได้เรียกว่ามุชริกได้ไหมได้โอโ้ไมีหลายเชื่อเนี่ยยาเฮนนะใครมามาพูดเอ็งโง่เนี่ยโกรธนะ ทูลอาฟาวัยรุยร่นท่านท่า น, น, นบ้านเราต้องจะต้องไม่เป็นคนยาเห็นคนที่อ่านปุ้นอ่านเนี่ยมันจะยาเห็นหละคนที่รู้จักอัลลอฮ์มันจะยาเห็นลคนที่ยอมรับน บ, บี ม, มุฮัมมัดเป็นเป็นบุคคลตัวอย่างไม่ใช่ยาจะจะเห็นจนน่อยไม่มีปัญหาครับมีบ้านหลังเล็กๆไม่มีปัญหาครับ มองบ้านนาบีเป็นแดบบบ้านนาบีใหญ่หรือเล็กเวลาเยอนเนี่ยยกมือขึ้นติดอะไรติดหลังคาครับปันเล็กครับเวลาสุยูตอนกลางคืนน่ะมาตะหันยุ่น่ะเจอท้าภรรยาใหญ่หรือเล็กฉะนั้นถ้าบ้านเล็กโจนหน่อยไม่มีปัญหาเพราะเรามีบุคคลตัวอย่างครับเรื่องอดมูกินนืก็ดูนบีครับ ทีมไอชาเราเองบางเดือนนะสามเดือนไม่มีไฟขึ้นในบ้านนะนั่นบ้านนาบีครับพูดในเรื่องจนบางคนโมโหเพราะว่นานบีจนนบีรวยครับแต่นบีไม่เอาไม่ไม่ครอบครัวไม่อะไรนะไม่สะสมเงินทองถ้าจะเอาเงินมาเก็บไวนะ้น่ะได้ไหมได้ทำมีอยู่วันมีอยู่ครั้งหนึ่งนบีนมาอะไรนะนมา อัสรีกับบรรดาสาบ้านไม่นามาตนา บ, บีนึกยังมีอะไรทองอยู่ในบ้านฉันนะอีกก้อนหนึ่งพอให้สลามนามาตอัสรีเสร็จนา บ, บีทำดานนา บ, บีจะนั่งอะ่ะคนนั้นเดินเข้าห้องเลยพอออกมาสาวบ้าถามว่าเข้าไปในห้องทำไมหลังจากนมาตนา บ, บีว่ามีคนเอา ทองมามอบให้ฉันฉันกลัวว่าจะลืมจะทองอันนี้อยู่ในบ้านฉันตลอดทั้งคืนไปบอกใหภรรยาให้อจ่ารยกไปเลยไปดูแลคนยากคนจนนั่นนบีเป็นคนที่ไม่สะสมเงินเราคงใจไม่ถึงขนาด น, นั้นหรกใช่ไหมล่ะอ้างสะสมไปเจอเงินแต่อย่าลืมลมาดนะอย่าลืมจ่ายส ก, กาดนะอย่าลืมนอนอ น, ออน้อมถมตน จะรวยขนานันก็ตามอย่าลืมนอบ น, อบนอบ้อมทอมตนต่อ AH. อลัลลอฮ์คำเดียวตกลงว่าอาย่านี้มีสาเหตุของการลงใช่ไหมมีคนมาหานาบีมาอะไรนะกราบจะเวดไหมเราควรจะไปกราบอัลลอฮ์ด้วยรอบไม่ได้ถ้าไม่เอาก็ไม่มาก็แต่คนตังอยู่ละกุ้มดีนุกุวาลีาดีอย่างนี้เป็ต้นนะครับเอาต่อมากับอายาสุดท้าย و ل قد أوحى و ل قد أ و ح ى إليك و َ إ ِ ل َ ا ل َّ ذ ِ ي ن َ مِن قَبْلِك ل َ ن أَشْرَك لَيَحْبَقَنَّ عَمَلُكَ و َ ل َ تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ و َ ل َ قَد أ و ح ِ ي َ إلَيْكَ و َ إ ِ ل َ ا ل َّ ذ ِ ي ن َ مِن قَبْلِكَ ل א إن أشرقت لا يحبطن عملك ولا نكونا من الخاسين الله أكبر الحمد لله เยสุทัยนะครับวหยากแปลว่าถูกถูกประธานวห้มาจะเรื่อว่าอิสลามนี่นะ ความรู้ผ่านอัลลอฮ์เนี่ยเป็นวะฮีหมดเลยนะสะอาดบริสุทธิ์เอาไปใช้ได้ทุกเวลาแอนตี้คำสั่งอัลลอม์อะไรเองถูกนะ <c oughs> นี่อูฮัยยาได้ถูกประทานลงมาโดยแน่นอนย่งอูฮยาอีไลกะได้ถูกประทานลงมาให้แก่เจ้าอัลมุมหัี วิลลารีนัมกบลิกะและถูกประทานลงมาให้แก่ผู้ที่มาก่อนหน้าเจ้าหมายถึงใครน บ, บีมูซาน บ, บีอิสานบียูซุน บ, บียูนุสน บ, บีอิบรอฮินนบีนวัวน บ, บีที่มาก่อนหน้าท่านทั้งหมดถูกประทานความรู้ให้ไม่ใช่รู้เองครับอัลลอฮ์ให้ความรู้มาหมดเลยอย่าตะกบดงอย่ายเยาะยินนะความรู้ทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้มานะครับ ความรู้ที่ผ่านท่านเราก็ผ่านนาบีคนที่มาก่อนหน้าท่านรู้ไหมเรื่องอะไรครับลายอินถ้าหากท่านอัชรอตตังตั้งทาคีถ้าหากท่านตั้งทาคีแต่เคารพเสียงอื่นนอกจากอัลลอฮ์ะไรนะเจอครับ อิสลามเป็นศาสนาเดียวที่สอนว่าอย่าเคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ลาอินอัชรอตตะบอกกาบนบีบอกกาบนบีที่มาก่อนหน้านบีมุฮัมมัดในยุคที่ผ่านมาบอกว่าลาอินอัชรอตตะถ้าหากท่านเนี่ยตั้งภาคีเป็นยังไงครับลายะบาตันมาจะฮบาตโตฮบาโตเนี่ยสับเดิมแปลว่าไร่ผล ลมเหลวสูญสิ้นฉะนั้นใครก็ตามท่าชิริกต่ออลอเนี่ยผลงานของคุณที่ทำมาไร้ผลหมดเลยสูญสิ้นหมดเลยโมฆะหมดเลยเห็นยังครับนี่ถ้าไม่อ่านจะกูอ่านจะรู้ไหมคิดเองออกไหมไมันมีทางครับ Katakan pun Allah, Alhamdulillah. Layak berton na no. be minuta kira na. Talian pesara, mabang, jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. j u h a u h j a a u a h Jauh. Jauh. a u h j a a u h j a a u อามาลูกะนี่ไงลงท้ายงานของท่านที่ทํามาทั้งหมดเสียหายหมดเลยเอลัลลอฮฺรับป่ะไม่รับแ้าทําทําไมอัลลอฮฺไม่รั บ, แ ต, ทำทำรบแต่บนดุลยานี้อลัลลอฮฺให้อยู่เพลินเอาไปเลยเอาไปให้เป็นนั่นเป็นนี้เป็นนี้เป็นนั่นเป็นอะอะไรเต็มไปหมดใช่ไหมแต่ทาลอตอนก็นไม่เลือกด้วยอืมเอาต่อมาครับ ว่าละตะคนูนันน่ะเห็นหมและแน่นอนท่านจะได้เป็นหรือว่าอยู่ในหมูมินันคอิีอยู่ในหมูผู้ขาดทุนคำว่าขาดทุนเนี่ยพูดไปสองครั้งแล้วนะนะอยายะที่ผ่านมาใช่ไหมอยายะที่หกสิบสามกับห5สิบห้าเนี่ยอัลลอฮฺนะัานอาทีตนี้ก่อนจะจบ อธิบายนี้ยเดว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่อัลลอฮ์พอใจที่สุดกลุ่มสราบะกับยุคนบียุคนบียุคสราบะอธิบายอย่างนี้นะครับสราบะาหนาบีเนี่ยมันมีงานสองอย่างนะงานด้านร่างกายกับงานด้านหัวใจเพราะว่าอามัลฟิลกลดีแ้านหัวใจเนี่ยเท่ากับด้านอะไรนะด้านร่างกายนี่นะ บรรดาสวา่านอาบีให้ความสำคัญกับด้านข้างในเนี่ยมากกว่าร่างกายเช่นอะไรบ้างครับอึคลาสงานหัวใจสองนึกตลอดเวลาต้องสารภาพผิดกับอัลลอฮ์ในงานหัวใจอันที่สมมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ทำงานให้อัลลอฮ์ตัดสินสำเร็จรพรตรเครดิตอัลลอฮ์ลงมือทำไม่ทำ จะสำเร็จหมดกับอา l a h ข้อที่สี่รักรักอา l a h มากกับเมียมากกับลูกมากกับทรัพย์สินทั้งหมดข้อที่ห้ามีความอยากได้สวรรค์ในใจของซาบะทุกคนอยากได้ไปสวรรค์หมดเลยข้อที่หกกลัวนรม ในใจของซอบ้านนบีนะครับมีของหกหกอย่างนะครับมากกว่าด้านร่างกายร่างกายมีอะไรบ้างนาบีสัง่งอะไรทำหมดเลยว่าเด่นไปมัสยิดนี่ยเขาเหนื่อยใช่ไหมเขาขึ้นมาตะหัดอยู่เขาทำให้หมดแล้วแต่ ง, งานหัวใจนั้นยิ่งใหญ่กว่างานด้านร่างกายตอนนี้ซอบ้านนบีนะครับพี่น้องเป็นคนแบบนี้นะครับเป็นคนที่รู้ ว่าตัวเองเนี่ยได้ไปสวรรค์แต่ไม่เคยพูดโอ้อวดว่ากูไปสวรรค์วะไไม่มีครับทั้งที่รู้ไหมรู้นบีบอกว่าเองจะไปสวรรค์เองได้ไปสวรรค์รู้ว่าเป็นชาวสวรรค์แต่โอ้อวดไหมไม่มีเราเอามาใชา้ข้อที่สองสุฮาบานนาบีนี่นะครับพี่น้องมีจิตใจ นะครับคืออยู่ในจิตใจของเขาทั้งหมดนี่นะไม่เคยที่จะใครจะทำอะไรไม่เคยโอ้อวดนี่นะไม่เคยโอ้อวดอยู่ในใจหมดเลยนะข้อที่สามเนี่ยเขารู้จักคำว่าช้าแต่ไม่เคยนึกว่าจะไปใช้ช้าในโลกอาคเรากเขาทำอามันทิโอแล้ว เพื่อจอมไม่ต้องไปสฟากับท่านนาบีใหม่ในโลกอาขือเราเข้าใจนะสฟามีใช่ไหมมีหลายคนพูดยกเระาะชาบแต่ชาวบ้านนบีไม่มีครับทำความดีทำบุญดีก่อนนะกระทั้งที่มีโอกาสจะสภาได้ไหมได้ครับต่อมากับกลุ่มชาวบ้านนบีเป็นกลุ่มที่มีเกียรติที่สุดอลัยย่อ ง, ย, องย่องใครหรือเป เกียรติท no <si ี่ Allah วะลิ Allah ละอิจจตุวะลิ رسول ุลีวะลิมุม m i n i เกียรติที่ Allah อย่ิ رسول แต่อยู่ที่เป็นมุมิ i n รวมไปถึงสลาบาท่านนะีด้ว่าพวกเราเนี่ยที่มี إ ม م านต่อ Allah นะเกียรติอยู่ที่เราจิงมีความรู้ด้วยดีไหมคำเป็นตัวบอกยูซุบแ่บอย่าให้ขาดมาประจาเพราะว่า a l ให้ฉลาดคำลเอดลาต่อมานะครับ ซาบะข่านนบีเนี่ยขอดุทิเช้ากับเย็นอัลกุรอานอธิบายอย่างนี้นะครับยะดาวนลอบบะฮุมบิลกอดาวะเทวันอาชิยูรีดูนวาชาหูบรรดาซาบะข่านนบีเนี่ยเขาขอดุทิต่อพระผู้อภิบาลของเขาช่วงเช้ากับช่วงเย็นหวังความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาหู ว, วๆๆะดาาเราก็ทาตามและนบีก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละนะครับ คนที่ตาหนิดูอาดูถูกดูอามีเปล่ามีอยู่คนหนึ่งชื่ออะไร น, นะฟาโรนพอเราพูดอย่างนี้จะรูนีอักตุลโมซาปล่อยฉันฉันจะจัดการกับมูซาเองวายาดอโร บ, บาห์ให้มูซานั่งขอดูอาต่อกระทู้อัอยบารของเขาเถอะดูอามีอะไรนี่ดูถูกใครดูถูกดูอาดูถูกอัลลอฮ์ด้วย สารพัดแล้วดูถูกในฟาโร่พูดนะแล้วต่อมาฟาโร่ตายที่ไหนครับตายในน้าต่อหน้าใครต่อหน้านบีมูซาเลยอย่าลืมนะคนที่ถูกลงโทษต่อหน้านบีนะนักกว่าที่รับหลังนบีนะอย่าลืมนะคนที่ถูกลงโทษแล้วนบียืนมองอยู่เนี่ยหนักกว่าคนที่ถูกลงโทษแล้วนบีไม่เห็น ต่างกันนะนบีเห<々 gging>็น <goodness> กับนบีไม่เห็นต่างกันครับต่ฟาโรเนี่ยเห็นมูซาเห็นน่ยอัลล์เนี่ยมันจนาตายอนีี่นลาับ h u m t i n h